แล้วน้ำตกแม่กระสีที่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวในเขตมันเป็นอำเภอแมเปิลอำเภอเมเปิล น, นี่ว่าจะประชุมกันใหม่เราลุงทีรุกหาที่จะไปเราจะไปห้าร้อยกว่ากิโลห้ารอยกว่ากิโลนี่เราจะวิ่งรถยังไงมันจะถึงไปท่ากี่นั่นถ้าเราไปสาย <laughs> เรคิดว่ามันจะต้องได้พักกลางทางแต่ถ้าช่วดไปช่วงตีห้าไปฉันตอนไหนไปฉันตอนไหนช่วงไหนก็ฉันเลยกลางทางกลางอะไรไปตัว น, นี้จะไปถึงกว่าอืมเราพิจารณาดูอยู่ยังไม่ได้ไปชุมกันทําอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนเนีเมเช้าพร้อมกันก็ของ อ, อะไรขึ้นรถเตรียมพ้อังแก่เครื่องคืน ต้องเช้าไปเลยอาจจะไปชัน้นอยู่ก็มมู่แถววิเชนบุรีก็ได้ถ้ามีห้องน้ำห้องเริ่มอะไรที่สมบูรณ์เราก็คิดของเราไปงั้นละถ้าจะไปช่วงชั้นเศษวินตะบาทนี้โอ้คงจะต้องทุลักทุห้าร้500 500รอยห้าร้อยกว่ากิโลถึงพี่พักนี่ ลดหลายคันก็ต้องคอยคันคันไปมันก็ไม่สะดวกเอ้ยแต่เจ้านี่ต้องอู่วันได้อยู่หลัคิดวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประชุมเรลาลู้สิษกห้าจะเอาไงวันที่สิบแปดเช้าวันที่สิบแปดบึงเลย อ, อยู่ตอนไหนก็ต่อรถเอ า, ากันนั่น ยิ่งจะสามารถไปถึงสถานที่แล้วก็พักคืนเดียวได้ไง น, นี่มันจะหลายคืนดีถ้าเราไปเสียสายหน่อยนี่ไม่รู้จะไปพักจุดไหนหไแาาล้กกลกวก็ค่อยไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าคิดว่าถึง500กิโลวิ่งรถก็8ชั่วโมง9ชั่วโมงค่อยไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าไปเรื่อยๆพักกินข้าวกินอะไรกันก็ชั่วโมงหนึง่งแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ไปเร็วค่อยไปเป็น ขบวนไป น, นี่คิดว่าถึงอยู่เนยจะเป็นอินทบาะดีวกว่าจะฉันออกจากที่นี่สามโมงสี่โมงห้าโมงโอีกะอย่าไปคิดเลยไม่มีทางที่นอนอยู่เขตไหนก็ไม่ทราบเอ้ย <c oughs> ถ้าไปไม่กี่กันไม่เป็นไรนี่ก็หลายกันเขาเป็นสิบอีกกว่ากันมันเดินมันเหคิดว่าเอาอย่างงี้ยอีกว่าหรวอปะ เพื่อแม่เปิ่นเช็คดูระยะทางห้าร้อยห้าร้อยกว่ากิโลแต่ก็ลงไปสถานที่ที่ภาครกบนั่นไปมีหมูที่นั่นพอไปฉันกับหมูก็ไปภาค ก, กับหมูช่วงเช้าเราฉันทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยออกนั่นทำงานของพวกเราเข้าไปในบ้านความสักว์ ไม่ถึงฟังจากแวะขึ้นไปมันจะสามารถลัดก็ไปเขตอำเภอเขาวงได้ทุนนั้นนะนานทีจะมีพ้าเดินผ่านแดดถุกวันนี้องอยาก น, ะานั้นความจเจริญเพ้าไปแล้วก็พ้าก็เลยนั่งรถแอร์อว่าแต่เขาแต่เราพอๆกันนั่นนั่งรถถ้าไม่เย็นหน่อยก็นั่งไม่ได้มันหายใจไม่ตัวท้องนะไม่เหมือนเดินนะ เหนื่อยนั่งรถนี่ไม่เหมือนเดินเดินนี่ทั้งวันลงบู่ไม่เหนื่อยนะอะเดินลาดป่าลาดเขาไปอู้ไม่เหนื่อยเดินทั้งคืนนี่นเมื่อคืนนี้ไปนั่งเล่นี่ก็เลยไปฟังเพาาลงอาจารย์หลมบันทึกไว้เราเล่าถึงเราเดินข้ามทุ่งเหย่นในเลสวนไปสรุปอยู่ที่อืมจะจะแก่อีกไกล้ๆว่าจะกุเรานั่งฟังขึ้นอะ เราก็ไม่คิดว่าเราเทศไปอย่างนั้นนะี่ยนะไอ้เทศไว้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบลงบนวัดเที่ยวไว้เป็นก็เลยไล่มาเป็นอเลยมาวางไว้ถวายหลวงปู่ว่าหลวงปู่เราก็เลยฟัง้งเป็นนอนไม่หลับเมื่อคืนนี้แต่ตีหนึ่งยังอ ย, ยังนอนไม่หลับเป็นอะไรไหมครับกลาวันก็ไม่ได้พักสนิดเป็นนอนไม่หลับเป็นตาสวา่างใชไห ม, ไมทราบ อ้วยระลึกโน่นระลึกนี่หรือไงก็ไม่ทราบระลึกระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระลึกถึงปัจจุบันที่อยู่ระลึกถึงลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ระลึกถึงอนาคตอเพราะอนาคตนั้นตัดทิ้งไปหมดอดีตทําไมจะต้องระลึกเพราะระลึกถึงว่าเราเป็นมาอย่างไงแค่นั้นล่ะก่อนที่เราจะมาอยู่จุดนี้เราเป็นอะไรมา เร ล, ลืมไปให้ปัจจุบันเราอยู่ยังไงอนี่แหละลูกตอนเราอยู่ยังไงปัจจุบันแล้วเราอยู่ยังไงเราเป็นพ่อที่สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ลูกไหม ท, ทําวินัยที่เราได้สวยเป็นโสใจมาออกเต็มเม็เตรียมหน่วยออกด้วยความบริสุทธิ์พูดพ่องแล้วนั้นมีผู้พอที่จะรับได้ไหมนี่เราก็พิจารณาทำอย่างนี้แล้ว พังก็เลยเรามาเปิดนั่นพังคืนนี้ออ น, นอนั่นแหละพอนนี้ก็เลยระลึกถึงผู้หญิงกเกลี่ยงผู้หญิงเกเหลี่ยงที่ใส่บาทให้ข้าวถ้วยหนึ่งเล็กๆนั่นแหละที่ไม่มีขับนั่นแหละเราตัง้งแต่เมื่อไหร่มาจากผมเป็นลมบันทึกไว้เราเดียได้ฟัง เ, ออเราไปสรบอยู่นั่นสรุปอยู่ที่ไอ้ อ, อป่าไม้ด อันพวกป่าไม้มันจะเข้ามันจะแก่จะแก่ที่ติดกับวาจะคุเข้าพวกกระเหลี่ยงในทุ่งใหญ่ชายแดนพม่าเขตนั้นที่เราหลงเข้าไปในชายแดนพม่าแล้วไปเจอครอบครัวหนึ่งที่เคยมาทำงานในประเทศไทยเขาก็เลยบอกหลวงปู่ว่านี่มันเขตพมา่าขอให้ครบาอาจารย์กลับไปกินนันน้า เอ้มันมุ่งมุ่กัสองขวเมีออย่างนั้นนะ เ, ออเราไม่ได้หลงเข้าไปใ น, นเขตพระม้าให้เข้าจาับติดคุกติดตารางเหมือนกับผู้บัญชาจารหลายรูปหลายองค์เออแกก็มีลูกอยู่สองคนนี่แหละคนหนึ่งตัวแล้วละคนหนึ่งอุ้มอยู่หนึ่งแดงอยู่พูดไไม่รู้เรื่องหรอกเมียเพื่อนน่ะกับลูกเพื่อนน่ะพูเป็นสามีนี่เคยมาทํางานในประเทศไทยเป็นสิบปีตั้งแต่เป็นหนุ่มว่าก็พอพูดได้เออเข้าใจเท่านั้นก็ได้สอง เราก็ได้ครอบครัวนั้นดูแลเราที่ช่วงเราออกจากความเจ้คู่ที่เราสรุปนล้วเราฟังนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้เราก็เลยหัวหน้าึกถึงปฏิปทาที่ผาดผลอิโวเป็นโสตัยไม่ได้คิดว่าจะเอามาเผยอิแผ่เอามาโปวดลูกเต้าเอามาโปวดคนนั้นคนนี้เอามาเป็นครูเป็นบาของคนนั้นคนนี้กับเป็นคู่เป็นบาโดยกรรมที่เราได้สร้างมา นี่เราก็เลยระลึกภัยระลึกภัย แ, แล้วจะหนีได้ยังไงก็บุพกรรมตัวนั้นมันเป็นตัวบังคับเราจะหนีออกจากกรรมมันก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ตามกรรมนั้น น, นสร้างความอยากก็ไม่ได้ไม่สร้างความอยากก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ปกติไม่งั้นถ้าพวกภพชาติมันก็เข้ามาเจหาเรื่องอีกเต่าเก่า เชื่อกรรมตัว น, นั้นลงที่กรรมตัว น, นั้นแล้วก็อยู่อย่างปกติไม่จะโซฟตาการบวชไหวแต่ที่นำปลาลูกศิษย์ลูก้าไปต้องการให้ลูกศิษย์ลูก้านะั้นกระตือรือร้นในคําสอนของเราผู้เป็นครูผู้เป็นบาของเข า, าทำใหู้กทังวิญญาณทั้งเทวุทเท ว, วดาก็จะได้ทราบผู้ที่เขาไม่เคยไปเห็นแต่ฐานที่หลวงปู่โซเป็นโซตายตามป่าเขามาก็พอที่จะได้ปลาออกมาให้ลูกไปเเตาได้รู้ได้เห็นก็พอที่จะ เป็นกำลังใจให้ลูกกัเต้าผู้ที่มาอยู่หรือผู้ที่ไปไปมามาเขาจะได้ทราบว่าข้อก า, าดวันนี้พ่อที่ข้อกาดวันนี้ได้สฉวเป็นโฉวใจมาเอาสมบัติที่เล่ศเลือมาฝากลูกฝากเต้าเอาสมบัติที่สมบูรณ์บริบูรณ์เอาสมบัติที่บริสุทธิ์พุทธผ่องมาฝากรูปฝากเต้าเขาจะได้กระตือหรือลดในการสร้างคุณางามความดีบ้างเราก็ไปงั้นแหละเพราะตามภาษาผู้ที่มีความเมตตานนในการสอนเราก็ไม่คิดว่า เราที่จะเอาไปหรือขนลูกสี่ลูกขาไปได้หมดอกแล้วก็เอาพอที่จะไปได้เมื่อใดพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเอาไปได้หมดแล้วก็วางพาละถุนนั้นลงแต่ก็เลยลืล้อไปสถานที่ต่างๆที่เราไปมันไม่สามารถจําได้หมดทุกสถานที่พอไปอยู่อย่างนั้นสิบสิบปีไม่รู้ไปที่ไหนบ้างบางที เออเข้าบินาบาบดในหมู่บ้านก็ปายสไปบดแต่ปกดก็บินาบาบดเสร็ก็ออกเลยหลังหมู่บ้านนั้นไปเลยไปชนที่อื่นไม่รู้บ้านอะไรไม่รู้สถานที่ตรงไหนจุดที่ไปลึกไปจำไม่เป็นบาง <c oughs> บางช่วงเหมือนกับสันเขาแถวประเทศลาวแถวอำเภอนาแจแถวอำเภอแถวห้วยโขน แถวบอกก่อเกลือแถวนี้แหละแถวอำเภอบอกก่อเกลือแถวพวกนีน้เห็นอยู่ภาพนั้นแต่เวลาไปจริงๆไม่รู้ไปยังไงพอเดินไปครับนั่งรถไปมันเลยจําไม่ได้เห็นภาพอยู่แล้วลึกไปลึกไปนีป่เห็นภาพที่ไปอยู่แล้วเห็นป่าเขาที่ไปถนนจําได้อยู่แต่ว่าเวลาไปสถานที่จริงมันจําไม่ได้พอสิบกว่าปีนี้มันเปลี่ยนแต่ภาพไปหมดเปลี่ยนแต่ภาพบ้านเมืองก็จเจริญรุ่งเรือง สถานที่ที่มันมันทุลกันดานก็เป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าที่ท่องเที่ยวไปเสียสมัยผู้จีฟ้าสมัยรุ่งรุ่งไปยังไม่มีทางยัดลาดอย่างแต่วันนี้สมบูรณ์บริบูรณ์เจริญรุ่งเรืองเออเป็นที่ต้องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่พวกที่พักพวกรี ส, สอร์ทเกิดขึ้นได้จนแทบจะมองไม่เห็นภูเขาดูดีลุงเต้าพิอนาวนั่นก็สิบกว่าปีที่สี่สิบห้าปี สมัยนั้นน่ะยังไม่นานนะี่ทำไมมันยังเจริญรวดเร็วกนวะ่นั้นอขนกันขึ้นไปขนกันไ ป, ไปสร้างอยู่ในผููทีฟ้าสมัยก่อนไปนะเขาไล่ลงจากภูทีฟ้านี่ไปสร้างบ้านสร้างรีสอร์ทแล้วก็ไล่ลงจาบ ก, กันแล้วนี้แล้วน่าสมัยนั้นนะรีสอร์ทที่เราไปพักเราป่วยของโยมอุไทยครับโยมแม่มสองสามีภรรยาเพื่อนเราขึ้นไปเพื่อนไปทําเพื่อนเป็นชาวพุพทธผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมเพื่อนเลยไปทํา ที่ปฏิบัติธรรมเล็กๆไว้าบนรอยเลยจากเอ้ยเลยจากรีสอร์ทเพิ่มขึ้นไปอยู่บนสูงนิดหนึ่งนี่แหละรีสอร์ทเพิอยู่ข้างล่างที่ปลาเกลื่นอยู่ข้างบนแต่ ป, ประมองเห็นกันอยู่ ใ, ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันเลยขึ้นไปเพิ่นไปสร้างนี่ให้ครูบาอาจารย์พักเวลาผ่านไปผ่านมาแล้วก็เพิ่มก็สร้างที่ไ่ว้พระสวดมนต์ที่ทำทิฏภาวนาเพ ก, กับเมียกูนี้นะเราป่วยเขาอุ้มเราขึ้นรถนั่นแหละโยมตูน แล้วก็เลยได้ไปพักที่นั่นโดยบังคับใจโดยเอยงคืนไม่ชอบแต่มันก็ไปไหนไม่ได้ผมเดินไม่ได้แล้วมันเท้ามันเลือดอาบไปหมดแล้วมันเป็นหนองไปหมดเราะมัยนั้นไม่ได้ใส่รองเท้ามันเป็นตั้งแต่นี้แหละมันเริ่มตั้งเป็นตั้งแต่ไอ้ผู้สอยดาวผู้สอยดาวพิจิณุโลกนี่ไม่ใช่สิไอ้พิจิณุโลกพิจิณุโลกพิจิณุโลกลงมาเนี่ย อุตลอดิตนี่กูซอยดาอุตลอดิตมันมันเริ่มเป็นเรื่งหน่แล้วพอเท้ามันเปื่อยหมดยาอะไรก็เอามาอยู่ยาเหลืองยาอะไรที่พวกโยมมันถวายขวดหนึ่งนั้นก็เอาไม่อยู่พออมเป็นหนองก็เลยทุเลาะทุเลไปเลยน้ําป่าเลยไปอกีกยังไปได้ไกลอยู่นะไปเป็นหลายร้อยกิโลอยู่นะกว่าที่มันจะบวมแล้วเดินไม่ได้เขาเริ่มเนา่าเราว่า เราลึกไปลึกไปบางที่น้ําตาร่วงนะเข้าไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรให้อ <c oughs> นะก็เลยเป็นไม่อยากจะนอนในคืนนี้นะเล็กนวนเล็กนี่ไยถ้าการที่เรานําปฏิบปทามาบอกมาสอนลูกเต้าได้ลูกเต้าได้อะไรไหมนี่แหละ่ะนีคือปัจจุบันลูกเต้าได้อะไรไหมในปฏิบปทาที่ปาดพนที่โสเป็นโสใยของผู้เป็นพ่อผู้เป็นครูผู้เป็นบา ว่พากันเล่นเ่นหัวหัวอยู่อย่างอยู่อย่างทั้งโลกทั้งโลกเขาอยู่เลยหรืออยู่แบบทำทำหรืออยู่แบบในธรรมในวินรรัยที่ลุงผู่อสอนเราคิดเป็นนั้นชาตัวเราอยากให้ลูกและเต้า อ, อยู่ในธรรมในวินรรัยในว่นารรของผูเป็นครูผู้เป็นบาปผู้เป็นพ่อที่สอนด้วยความเมตตาสอนด้วยความถากความราจริงเอาจริงเอาจังในการสอนลูกเต้าในไทยลกกระทาคเราสอนเราไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์เท่าไหร่เราว่า เราเน้นไปที่วิญญาณเทวบุตรเทวดาที่อยู่ด้วยเป็นล้างลาง้ลานลา้านนั่งไปจนไม่มีที่จะนั่งเหมือนเขาา้าสารอยู่ในขระสอบลักษณะนั้นนั้นก็หมูพึ่งนี่ละเราเจตนาไปจุดนั้นมนุษย์ไม่มากเขามีครูมีบาเยอะอยู่เ น, น้นเราไม่ได้เน้นไปที่มนุษย์เท่าไหร่แต่เราก็เน้นอยู่ที่มนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์เราที่อยู่กับเราเพือที่ฝากปีปาบากใกล้โซเป็นโส่ตายกับเรา เราเน้นอย่างไงลูกลูกที่อยู่กับเรานั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุธทธาที่สมบูรณ์บริบูรณ์พึ่งตัวเองให้ได้เห็นเราได้จากเข้าไปแล้วเขาจะไม่ได้หวั่นไหวในโลกกระทำแก่เราจะได้สบายใจว่าเราได้สอนลูกสอนเต่าอย่างดีในการโสเป็นโสใจของเราที่เราอยู่ในป่าในเขามาที่เราได้ชักสมบัติที่เลิศเลยได้ชักสมบัติมหาศารมาฝากลูกเรา เราอยากให้ลูกให้เต่านั้นกระือรือล้นความกิเกติกานเัาอยากให้มีในจิตในใจของลูกของเต้าแล้วก็ไปองั้นแหละตามภาษาผู้ที่มีความห่วงโลกห่วงสงสารแต่ห่วงตามธรรมดังวินัยนะไม่ได้ห่วังโดยกิเลสนะตระหนัอยากเป็นอั้นหวงในธรรมในวินัยกับหวงที่มีกิเลสมันไม่เหมือนกันหวงที่มีกิเลสก็ห่วงแบบโลกโลกหลงหลงแต่ห่วงที่ไม่มีกิเลสห่วงแบบที่ไม่หลงโลกหลงทาง ห่วงตามทำ ต, ตามพี่ไหนัวว่าาตร์โลกนั้นจะตกรกรรมลำบากด้วยความเมตตาถือว่าเป็นญากกันหมดในแดดรูกธาตุถ้าเขาไปปฏิบัติ ต, ตามเราสอนตั้งจิตตั้งใ จ, งใจเอาจริงเอาจังเขาก็สามารถที่จะถึงที่แห่งความสุขที่เรียกว่านิพพานก้นบางทุกขังได้ในปัจจุบันอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลอว่าเขาคนปณิปานยังอยู่ไม่ได้อันตรธ า, านหายไปจากโลกแต่จีใจของศัตว์โลกเหินห่างจากมังผลนปณิปาน นี่ชีมันลำบากสาหรับผู้สอนคําว่าจักรโลกก็รวมไปหมดทั้งพระเถรเนจีอุบารสุปติกาอิตาวิญญาณเตวุเทวด า, ปปารวมไปหมดไม่เฉพาะล้วนเฉพาะของอุบารสุปติกาอย่างเดียวนี่แหละทําวินยัยเจริญเลยถูกทาลายไปวัดวาลามก็จเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุทางด้านโบสถ์ด้านศาลาในการสร้างพุทธลูกสร้างโน่นสร้างนี่ แต่ไม่สร้างจิตใจของตัวเองแล้วไม่ได้สร้างจิตใจเรารู้ทิศรูกขาเจริญรุ่งเรืองตามธรรมดำวินยัยนี่เรื่องกองเรื่องเหมืนทำวินัยที่เลื่อนหรือก็เลยเสื่อมไ ป, ไปเสื่อมไปเหลือไว้แต่วัตถุท้าว่วาและวัตถุในพุทธศาสนาถูกต้องอยู่มันก็มีบุญมีกุศลแต่มันก็ไม่มีบุญกุศลมากาาท้าว่าและวัตถุ จังจะลาร้อยหลังกันหลั ง, ลงมันก็ยังไม่เท่าสร้างตัวเองให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมรู้จักสิ่งไหนควรไม่ควรรู้จักสิ่งไหนที่เคารพและรู้จักสิ่งไหนที่ไม่เคารพรู้จักสิ่งไหนควรที่จะรักษาไวา้รู้จักสิ่งไหนที่ไม่สมควรที่จะรักษาเห็นใจว่ารู้จักกันละเทศยดอ่ะยังไม่ค่อยมีก็เลยมีแต่วัตถุเตมวัดวาลาลมมีขนาดเล็กก็ห้ามไม่ให้สร้างนั่นนี่นะ่ะก็เริ่มดิษนะ พู้ที่มาพักาอาศัยกับเราจะอยู่ไงว่าเอานัหน่ะผลตกฟ้าร้อแล้วก็อยู่อย่นงไงนี่แหละมันก็ไปตรงนั้นเวลาฝนตกมากขาจะอยู่อย่างไงให้พ่อหลบแดดหลบฝนหลบลมก็เอาแล้วเอาแค่นั้นพอสร้างสร้างสร้างหนึ่งมันก็ไม่ยายามีดินตกหนีดินั่นเป็นเงินไม่อยากให้มีการก่ อ, อสร้างเกิดขึ้นอยากให้มีการก่อสร้างจีรสร้างใจของเรารู้สิลูกหา นั่นแหละที่ได้ตัดสิในใจพาพวกเราไปสถานที่หลวงูจำมันจันแล้วอะไรก็ไขเราว่านั่นน้ำบางทีสถานที่น้ำก็ใช้ชนิดที่บอกว่าไอ้ประหยัดที่สุดในปากเขาเราเอาไปโอยพวกเราไม่เคยทุกทรมานเหมือนหลวงปู่ก็เลยอยู่แบบสบายมันก็เลยไม่ทราบการตัดสู้มันก็ไม่เกิดนั่นแหละพอตัดสู้ตรงทุกนั่นทุกสมุดใจนี้โลดมาก ริยสัจสีความแความจริงสี่อย่างเราไม่สามารถรู้ต้นเหตุเราไม่สามารถรู้แห่งความทุกข์ไม่สามารถรู้ต้นเหตุแห่งความทุกข์เราก็ไม่สามารถ จ, จะรู้ได้พอคิดว่าเกิดในโลกมนุษย์นั้นมีความสุขอยู่ประเทศไหนก็มีความสุขได่ไปดูจุดนั่นจุดนี้มีความสุขนั่นก็สาธุนั่นก็เป็นความสุขทางโลกที่เรียกว่าการพแต่ว่าความสุขที่เหนือการพมีอยู่ หรือความสุขที่เหนือการพบที่เป็นโลกมนุษย์ที่เป็นกายจิตก็ยังมีอยู่ความสุขนั้นมันเปรียบกันไม่ได้มันประมาณไม่ได้นี่ก็เทวดาูเทวดาชั้นดาวบดิงสามสิบกว่าล้านปีมนุษย์อยู่อย่างนั้นอาหารหรือเขาลเลือกเอาอิ่มมีปีติด้วยอาหารต้องการสิ่งไหนก็เอาปีตินั้นมา ปีติคือปีติในรูปและล่างแห่งการพบไม่ใช่รูปพบรูปพบเป็นปีติที่ไม่มีรูปไม่มีล่างที่ออกมาเป็นปีติที่อิ่มอยู่ในฌานอยู่ในยนันแต่ปีติอยู่ในการพบหมายถึงเทวุตเทวดามีปีติที่เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาต้องการอะไรก็เนรมิตขึ้นมามาอยู่มากินเป็นสมมุติในโลกทิพนั้นไอโลกทิพของรูปพบที่เป็นพวกผม มีความสุขกว่าการพบอีกนะั่นเราไม่จะแสวงหาจนแวะสะแวงหาแต่โลกมนุษย์ที่มีอายุสั้นที่สุดไม่ถึงร้อยปีทำอะไรก็มันทำอะไรไม่ทันเลยมันสั้นมากแต่อายุสั้นๆ้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเราสามารถทำให้มีอายุที่ยืนยาวเป็นหลายกับหลายกันหลายล้านปีที่หลายล้านปีมนุษย์ได้โดยการสร้างวุฒสร้างกุศลในธรรในวินัยนี่แหละ อายุสั้นๆในโลกมนุษย์ไม่กี่ปีใช้มาถที่จะทำให้เราได้ดีไปดีในภพของพวกทิพย์จะเป็นการพบรู้พบละหรพบมันประมาณอายุมันประมาณได้แต่ประมาณบุญประมาณกุศลที่อยู่ในภพนั้นๆมันก็ประมาณไม่ได้เพราะความสุขที่ได้รับมันหลายกลับหลายกันอยู่ในภพภูมินั้น เกิดดับเกิดดั ก, ก, ดดกอยู่ในภพะผมนั้นนั้นเสวยความสุขอยู่นั่นด้วยการที่เกิดในโลกมนุษย์ไม่กี่ปีที่สร้างคุณงามความดีนี่แหละเพื่อจึงว่าชาติมนุษย์เป็นชาติที่ประเสริฐเลิ่ที่สุดก็เรื่องนี้แหละเพรอจะไปนรกก็เกิดก็อยู่ในโลกถ้าจะไปนรกก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ทำไปสวรรค์ไปพรมไปอรุปรพมไปนิพพานก็โลกมนุษย์เป็นผู้ทำ นี่อาศัยโลกมนุษย์อย่างเดียว น, นั้นปานการเกิดในโลกมนุษย์จึงประเสริฐที่สุดแต่พวกเราจะทําให้ตัวเองประเสริฐหรือไม่นี่สีนากิจให้ลูกเต่าฟังแล้วก็ไปปีนี้ปีนาแล้วเกิดมาในโลกมนุษย์คอยอะไอยู่ทุกวันคอยวันตายเราพูดตามธรรมคือเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนคอยวันตายและก่อนที่ช่วงจะตายเวลาอายุสั้นๆเราทํำอะไรไว้ ที่จะเป็นไอเส บ, บียงในภพชาติต่อไปไหมถ้าไม่ทําอะไรไว้เลยก็คติที่เลวทรามเป็นที่ไปทุกจนประมาณไม่ได้อีกก่อที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็กี่กับกี่การอีกก็ไม่ราบนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละการสร้างบุญสร้างกุศลในพุทธศาสนาจึงต้องรู้จักกาลเทศะสร้างอะไรขึ้นก็ต่างก็ต้องรู้จักกาลเทศะ พุทธศาสนาไม่ให้เห่อเหือมในทางด้านวัตถุแต่ทุกวันนี้ก็มีแต่ทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผู้เขาลูกไหนก็แทบจะมองไม่เห็นภูเขาไม่เห็นต้นไม้มีแต่การก่อจ้งอางเห็นแต่ปราชสัดอยู่ในนูน่นอยู่ในภูในเขานี่แหละแล้วมันก็เลยเป็นยังไงขนาดเรานี่ไม่ยอมละขนาดไม่ยอมก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นี่ก็เริ่มแล้วพยายามตาดอกตาดอกดูเอาพอริพอริเอาปอดีพงาม เราต้องการสร้างจิตใจของสารโลกเราไม่ต้องการสร้างท้าววลวัตถุเพราะมีมากต่อมาวัดวาอารามจะไปไหนก็ไปดูเอานั้าเต็มอยู่เต็มโลกเต็มชงสารแต่มันไม่สามารถเอาไปคติอื่นด้วยได้เลยสร้างโบสถ์สร้า ง, งกุฏิวิหารสร้างศาลาสร้างพุทธลูกก็ตั้งอยู่งั้นพวกคือหอบอยุ่งไปไม่ได้ถ้ากลับมายึดมาถือพ่าเถือก็ตายเป็นผีเฝ้าพุทธลูกเฝ้าวัดวาารามอยู่นั่น น่าจะไปเกิดในกติที่ดีกับไม่เกิดละโดยกรรมบางทีบางอย่างเป็นจริงจบเป็นจริงเหรียญเป็นพวกแย่พวกอะไรเป็นสัตว์อยู่ในวัดนั้นละ่ะเฝ้าุกุ๊กจีกิกก๊กอยู่ในพุทธลูบอยู่ในนั้นโอ้วันเป็นอย่างนั้นนี่แหละทาววันละวัตถุที่สร้างขึ้นมันเลยไม่เป็นบุญเป็นกุศลมากเหมือนสร้างจิตสร้างใจพัฒนาจิตพัฒนานาใจตัวเองให้เข้าสู่ธรรมสู่วิ น, นัยเ อ, อิบอิ่มเลยบุญด้วยกุศลในใจของตัวเองในช่วงเวลาอายุสั้นๆในการเกิดเป็นมนุษย์ สั้นนี้เดียวไม่ถึงร้อยปีก็ไม่ทราบว่าตัวเองจะไปวันไหนเมื่อทราบแล้วก็เร่งกระลูกเต่าเล่งสร้างกงางามปางดีอุทธ่าหศาสนาสอนให้ละบาปบาเพ็ญบุญเอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาศีลห้าเป็นเครื่องวัดนั่นแหละแล้วเมื่อศิลห้าก็คือบาปอยู่ในศีลหน้าก็คือบุญนั่นนี่คือศีลของคาราวะญาติโยมที่ครองกู้อยู่กันฉันจะมีภรรยามีผัวมีเมีย ม, ม, มีลูกมีเต้าโสดาบานันก็ปฏิบัติอยู่ เป็นพนางวิสาขาบินธิกาเจตีเป็นต้นก็มีลูกมีเต้าแต่บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลชั้นตน้นเป็นผู้ที่แน่นอนไม่หลงทางอีกนี่แหละคือพัฒนาจิตใจของตัวเองอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เพื่นมีทรัพย์มากก็ เ, เลยสร้างโบสถ์สร้างชาลาสร้างวัดว่ารางให้กับพระพุทธเจ้าถวายให้กับสงสาวพระค่ายองพระพุทธเจ้านี่เพื่นพูดถึงผู้ที่มีทรัพย์มากแต่นี่ที่เนี่ยมานาน กองคนนั้นบทึกอยู่ในสมัยก่อนไม่มีธนาคารฝากมีหีบเหล็กแล้วก็ยัดตัวหีบเหล็กฟังไว้บ้างเอาไว้ในบ้านบ้างจ้งางพวกคนเฝ้าบ้างยีลักษณะนั้นถ้ามีอะไรก็ไปขุดมาเอาไปใช้มันจะเป็นลักษณะนั้นก็เลยเป็นผูโสมเฝ้าซักเฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่สมัยก่อนไม่มีธนาคารฝากเหมือนสมัยปัจจุบันหาไปหามไปเป็นหีบเหล็กใหญ่ๆนั่นะพากเงินฝากทองเตรียมอยู่นั้นเวลาจะมาใช้ก็งัดออกมา เออเขเรียกกรรมปั่นอะไรนี่นั่นเป็นอย่างนั้นในผลสุดท้ายเวลาที่บรรลุโสดาบานันแล้วก็ข้ามดันนี้ทีเนี้ยไม่มีทีเอาไปทำไง ม, มันไม่ใช่ของของเราไม่เป็นของโลกอยู่อย่างนั้นพึ่งใช้สอยให้เป็นประโยชน์ในธรรมในวินยัยเพื่อเสริมสร้างบา ร, รมีของตัวเองสร้างสเสบียงของตัวเองในภพชาติต่อไปนี่โสดาบันเป็นพทุทธิแน่นอน เป็นผู้ที่ไม่หลงโลกหลงทางการสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีการล่วงไหลเพราะเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอจรสศรัทธาคือศรัทธาไม่หวั่นไหวแต่ถ้าศรัทธามันหวั่นไหวอยู่ก็ยังไม่สามารถบรรลุอรอยิยบคุคคลจัน้นโสดาบันได้เวลาทําบนสร้างทํากุศลสร้างบุตรสร้างสร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารบุญจึงล้วงเป็นของธรรมดาเพราะมันยังหวั่นไหวอยู่ ลมมันแรงมาจางด้าไหนก็ปิวไปนั่นนั่นก็เรียกว่าศรัทธายัางวันไหวแต่ศรัทธาไม่หวันไหวเรียกว่าอริบุคคลชั้นต้นโสดาบันที่เป็นอาจารศรัทธาที่สมบูรณ์บริบูรณ์เราจะเป็นไหมนี่ตัวนั้นเราก็เลยหวงลูกหวงเต้าตัวนี้นะทวนทุกคืนทุกวันเราเข้าจุดนั้นได้กันไหมโตเป็นโสดตายในทําในวินัยไหมมอบกายสวาชีวิตกับพูดทําสงฆ์ไหมหรือมอบกายสบาชีวิตกับเปรกกับพีที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเอง ความปวดความโลคความหลงที่ติมานะความไม่พึงพอใจคนนั้นคนนี้หรือมอบเข้าไปจุดนั้นนั่นแหละทำมอบไปจุดนั้นเราก็ไม่ได้เล ย, เลยในภาคปทพิบัติอายุสั้นนิดเดียวเราน่าจะมาทําคุณทรความดีกลับด้วยความเร็วตอบสนองเวลาละจากโลกนี้ไปก็เข้าสู่กติที่เร็วตามต่อไปนี้แล้วเราก็เลยห่วงก็ เ, เลยระ ล, ลึกไประ ล, ลึกไปแต่ว่าถึงจะห่ว ง, งขนาดไหนก็ตามสัตว์โลกก็ต้องอยู่ตามกรรม วัขนาดนั้นก็ตามแม่แต่บุรุษมัสการ์ไดอีกก็ไม่สามารถสอนพวกเราได้หมดก็าวางผ่านละนี่แหละแต่ก็มีอยู่มีความอยากคือสอนขณะ น, นี้ยังไม่ได้รู้เรื่องดู้ราวอะไรเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับสัตว์โลกท้อไหมคําว่าทอหรือก็วางไว้าตามสภาพแห่งสมมุติคําว่าไม่ท้อก็คือวางสภาพไว้าตามโลกสมมุติจี่ต้องเด่นเหนือ น, นั้นทั้งมันต้องเลยไปความทอและความไม่ทอ เขาถือว่าเป็นกรรมของสายโลกในการเกิดในการอยู่และในการไปของเขาเราให้แล้วซึ่งท้าวสมบัติเขาจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่เขาจะเป็นไก่คุ้ยเคียหาพวกไชเรือนพวกตัวหนอนกินโดยที่ไม่สนใจใจดีกับทองคําเพชรนินกินดาที่พ่อให้ก็แล้วแต่ใจแล้วก็ลงไปนั่นนั่หะคิดหนาคิดหลังไว้ตามปทิภาษาที่ยังมีวิญญาณคฟองอยู่ถ้าการยังไม่แจกจะหลายอาธิกันห้าในการปรุงในการแจกในการคิดเป็นของธรรมดา เวลาที่ถึงการเวลาที่แตกกรหลายนั่นจะไปไหนนั่นพิจารณาเอาจุดนั้นนั่นแหละเราต้องการให้ลูกเต้ามีสติมีปัญญาในช่วงนั้นถ้าไม่มีศีลไม่มีตามไม่มีการเดินจงกรมนั่งภาวนาไม่มีการอบรมบ่มนิสัยตัวเองก็ไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าคติที่ดีหรือคติที่ไม่ดีเป็นที่ไปของตัวเองถ้าพ้ที่มีการอบรมบ่มนิสัยอย่างแน่ชัดแล้วไม่สนใจจะดีกับคติที่ไม่ดีเออทอด จิตทอดใจให้กับขติที่ดีที่เรียกว่าสุขติภูมิเราจะไปจุดนั้นทิ้งปิดทั้งทิ้งทั้งปิดทั้งทาลายขติที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกขติภูมิเข้าสู่สุขติภูมิเดินตามมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเข้าการพบที่เป็นสุขคติหมายถึงมนุษย์ก็เข้าสู่สุขคติที่ดีในการจุติเข้าสู่โลกมนุษย์เข้าสู่ตระกูลที่เป็น ตระกูลผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเข้าสู่ตระกูลของเทพบุตรเวราก็เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิเข้าสู่ตระกูลของพวกพรมก็เข้าสู่ตระกูลสัมมาทิฏฐินั่นพรมมิจฉาทิฏฐิก็มีแล้วเข้าสู่ตระกูลสูงสุดตามบรมาาจักรเจดายคือพ่อของเราที่ไปสงสารวกที่ไหนก็ที่เมืองคนิี้ผ่านโน่นนะพระพุทธนาเรนะสาธุ